ธรรมนกธรรมชั้นโทม้วนที่ยี่สิบสามบรรยายโดยพระอาจารย์มหาเพราะทิตาสีโลสุท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมต่อไปนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไป วันนี้จะพูดในหมวดที่ห้าว่าด้วยเรื่องอนุปกปิกถาห้าคือหนึ่งทานกถากล่าวถึงทาน 2. สองศีลกถากล่าวถึงศีล 3. สามักกะถากล่าวถึงสวรรค์สี่กามาทีนวักถากล่าวถึงโทษแห่งกรรมห้า เนคขมนิสังสกถากล่าวถึงอนิสง์แห่งการออกจากกรามหรือการออกบวชนั่นเองประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคำว่าอนุปุพิกถาอนุปุพิกถาก็ได้แก่เทศนาที่ทรงแสดงโดยลำดับเพื่อฟอกอัตยาสัยของประชาชน ทั่วไปให้หมดจากอาสวะเป็นชั้นๆขึ้นไปเป็นพระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระบรมศ า, ศ า, ศาสดาทรงแสดงแก่ครหัดและผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษได้ก่อนแต่จะทรงแสดงอริยสัจสี่จำแนกเป็นห้าประเภทด้วยกันคือหนึ่งทานนักถากล่าวถึงทานพรรณนาถึงประโยชน์ของทาน ตริในที่นี้ท่านหมายเอาเฉพาะอามิสทานอย่างเดียวเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือว่าการการให้ทานนั้นนะการให้ทานนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากคือทานนั้นแบ่งออกเป็นสองใหญ่ๆก็คืออามิสทานกับธรรมทานอามิสทานกับธรรมทานอามิสทานก็คือ การให้เหยื่อคําว่าอามิตรเนี่ยแปลว่าเหยื่ออะไรเป็นเหยื่อปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่ก็มีข้าวน้ำํำนะมีอาหารข้าวน้ําที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าพร้อมทอนสบาย อ, อยู่ยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเหยื่อนะมันเป็นเหยื่อที่เราจะต้องบริโภคต้องใชนะ้ต้องกินต้องใช้นะไอ้คําว่าเหยื่อนี่หมายถึงว่าทั้งของกินของใช้ ข้าวเราก็กินเข้าไปอาหารทุกอย่างเรากินเข้าไปในเสื้อผ้าอภรรต์นี่เราก็เราก็กินอีกเหมือนกันนะแต่มันกินคนละรูปแบบเรามาหอมมันก็กินเรานะเสื้อกางเกงเรานุ่งเราต้องสวมเข้าไปมันก็กินเรานี่มันมันกินมันกินคนละอย่างอ่านะมันกินคนละอย่างมันห่มตัวเราไว้เนี่ยแขนเราใส่เข้าไปแล้วก็ติดโลโก้โดมเสื้อมันกินตัวของเราหมดโผล่มาตรงหน้าแค่นั้นเองนะ นี่อันนี้มันก็กินของเราอีกเหมือนกันฉะนั้นเขาจะเรียกว่าเอาเครื่องอุปโภคบริโภคอื่ไอ้บริโภคก็กินกินรอกอุปโภคก็คือกินเข้าไปก็หมายถึงว่าเราต้องใส่เสื้อเนี่ยแขนใส่เข้าไปเอาเท้าใส่เข้าไปหรื้อผ้าห่มเข้าไปนี่เรียว่าอุปโภคแล้วก็บริโภคก็คือว่าการกินนี่กินรอบๆอ่านี่เรากินอาหารกินทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปอื่ฉะนั้นอามิสทา น, นิสก็ถือว่า มีสิ่งจาเป็นมากพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าสัพเพสัตตาอาหารติการสิ่งมีชีวิตดารงอยู่ได้ด้วยอาหารขาดอาหารก็ตายฉะนั้นอาหารถือว่าจึงเป็นปัจจัยประการแรกที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ได้แล้วประการต่อมาจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่ว แต่สัญชาตญาณของเราทุกคนนั้นก็รักดีหนีชั่วกลัวผิดฉะนั้นเราก็ต้องทำดีเมื่อเมื่อเราได้อาหารไปแล้วก็อาหารนั้นไปหล่อเลี้ยงนในบำรุงร่างกายให้มีกำลังวังชาแข็งแรงมีสติมีปัญญาแกกล้าสามารถที่จะรู้ทมเรียนทมศึกษาทมปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดได้นี่ก็อาศัยอาหารเป็นรุงเรน ฉะนั้น อ, า, อาวิสณ์ทานก็ยังแบ่งไปออกอีกเป็นสามอย่างก็คือหนึ่งหนึ่งเรียกว่าทาสุทานคําว่าธาสุทานนี่ก็หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าให้ทาตเป็นทานหมายถึงว่าให้ของเลวให้ของต่ําเหมือนเนี่ยกให้ของเหมือนเนียกับให้ให้ของให้กับพวกทาตกินทาตใช้ คือโดยความรู้สึกของคนทั่วไปนั้นพวกทาตนี้ถือว่าเป็นคนรับใช้คนที่ต่ำฉะนั้นพวกนี้จะต้องกินของที่ไม่ดีนะใช้ของที่ไม่ดีนี่เป็นเป็นค่านิยมที่ที่มีขึ้นโดยทั่ ว, วไปแต่โดยทำจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องนะนอะไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ไม่เป็นสัจธรรม เพราะสิ่งที่มีชีวิตนั้นแน่นอนที่สุดก็รักสุขเกียดทุกข์ด้วยกันทางนั้นอรักดีเหนีชั่วด้วยกันทางนั้นฉะนั้นเราจะมาแบ่งกันอย่างนี้ไม่ได้นะฉะนั้นคำว่าท่าสถานก็คือว่าให้ของเลวให้ของต่ำเป็นฐานคือหมายความว่าคนเรามีกินอย่างไรมีใช้อย่างไรแต่ให้ของเลวกว่าที่ตนกินตนใช้ให้อย่างนี้แหละเรียกว่าท่าสถานฉะนั้นคนที่ให้ท่าสถานเนี่ย ผล ท, ที่ได้รับก็คือตัวเองก็ได้รับของ เ, เลวของมีตําหนิของไม่ดีถ้าจะได้สามีภรรยาก็มีตําหนิว่างั้นเถอะมีตําหนิหรืออาจก็จะเป็นคนที่รองร้องเขาไปนะเป็นคนรองร้องเขาไปไม่สมบูรณ์ไม่ภูมิใจดีไม่ดีก็หูหมวกตาบอดนะ่ะมือแปะขาเป๋ปากเบี้ยวจมูกแหว่งอะไรไปสารพัดมีตําหนิไป ของกินของใช้ก็ได้ไม่ค่อยดีนะมีตําหนิอาจจะขาดบ้างอาจจะถูกของเก่าบ้างอาจจะถูกของกลอมบ้างอันนี้เป็นเพราะว่าเราให้ของเลวของต่ํานั่นเองนะฉะนั้นคนที่ให้ของดีเนี่ยก็ย่อมได้ของดีคนที่ให้ของประเสริฐก็ได้ของประเสริฐให้ของเลือดก็ได้ของเลือดเป็นเครื่องตอบแทนฉะนั้นอันนี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าท่านนึกจะให้อะไรกับใครในท่านจะต้องนึกให้ของดีนะให้ของดี เพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาก็บอกไว้แล้วว่ายาที่สั่งมวมปเตตีชังตาที่สังลัพเตผลังก า, กาลยาณการีกาลยานังปาบการีจประปาประกันบุคคลหวานเพื่อเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ทำดีก็ได้ความดีทำชั่วก็ได้ความชั่วให้ของดีก็ได้ของดีให้ของเลวก็ได้ของเลวนี่ ฉะนั้นในเราไปได้ให้ของเลวเราก็ได้ของเลวตอบแทนก็เหมือนว่าเราไปด่าเขาอย่างเงี้ยแน่นอนที่เกดก็อาจจะได้รับคําด่าตอบแต่ถ้าเราไปไหวเขาเนี่ยก็อาจจะได้รับเอการไหว้ตอบการไหวตอบเนี่ยเราไปพูดดีเขาก็พูดดีตอบฉะนั้นนี่แหละอันนี้แหละขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงนึกไว้แต่ว่าโดยมากพวกเราเนี่ยไม่ค่อยให้ของดี สมมติว่าเรามีผลไม้อย่างนี้มีลูกดีๆอยู่บ้างแล้วก็มีลูกช้ำๆบ้างแต่เวลาจะให้เขาเนี่ยมักจะเลือกเอาลูกช้ำซะ ก, ก่อน น, นี่ไอ้ลูกดีก็คิดว่าเอาตัวเองเอาไว้กินก่อนดีกว่าน่ยังเสียดายในคนที่สุดเขาหลังตัวเองได้ของอะไรมาก็ไอทีมันช้ำๆแล้วนะไอทีมันสซมโซมแล้วะของใช้เหมือนกัน เรามีของใช้ดีๆเสื้อผ้าผ่อนท่อนสบายเนี่ยบางทีจะให้ไอปของที่มันเก่าเลยของที่มันเปื้อนเลยของที่มันขาดทะลุอะไรเนี่ยตะเข็บเปรีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ให้เขาไปฉะนั้นพอเราได้อะไรมาเขาหลังก็ยังว่ามันก็มันก็เปรีแล้วนะแยกแยะแล้วนะ yeah, yeah, แล้วไม่ดีไม่ดีเท่าที่ควรฉะนั้นจึงบอกว่าสิ่งนี้ก็มีผลมากนะมีผลต่อการดําเนินชีวิตมากนะ อันนี้ขอขอให้ให้สังวรไวให้มากในข้อที่สองก็คือสหายาทานสหายทานก็ไม่ได้หมายถึงว่าการให้เพื่อนฝูงให้มิสหายแต่ว่าให้ของเสมอกันกับที่ตนมีตนใช้ตนกินเหมือนเหมือนกับเรามีเพื่อนมิตรเพื่อนสหายเป็นคนที่เพื่อนคบเพื่อนกินเพื่อนนอนกันเสมอกัน เสมอกันฉะนั้นเราให้อาหารหรือให้ให้ทานแก่คนทั่วไปก็คือว่าให้ของเสมอกับที่ตนมีตนกินตนใช้ตนกินอย่างไรก็ให้อย่างนั้นตนใช้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นกินดีก็ให้ของดีกินไม่ดีก็ให้ของไม่ดีอันนี้ก็เสมอตัวน่คนที่ให้ของอย่างนี้ก็เสมอตัวได้ของอะไรก็อยู่ในระดับกลางๆลางไม่ดีไม่ชั่วเลียงโชคอะไรก็อยู่กลางๆง นะด้สามีภรรยาก็ไม่สวยนักไม่รอนักแล้วก็ไม่เลวนักนะก็อยู่กลางๆอก็ไม่ดีเกินไปก็ไม่เลวเกินไปแล้วก็พอไปวัดสายได้น ะ, อ, ะอันนี้มันก็ใช้ได้นะเสมอตัวนะเสมอตัวอไม่ใช่ทีนี้เราไปเลยถึงก็ต้องเอาผ้าคลุมกันนู้ต้องไป ม, ม, มืดๆแอ้มก็เกินไปนะก็เกินไปฉะนั้นในเรื่องการให้สิ่งของนี้ก็ถือว่ามีมีผลเหมือนกัน อนะทีนี้ก็มาในที่สามก็คือสามีทานไม่ได้หมายถึงว่าให้สามีเป็นทานนะมีเพลงเพลงหนึ่งที่วงจันทร์เขาร้อง อ, ะอ่ะสามีทานสามีของเราใครเขาอยากได้ยกให้เขาไปเธอทนหัวนะอย่าโมโหยายอย่าใบหัวตัวปล่อยเขาไปดีกว่าอะไรทํานองเนี้ยอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าจะเอาคําว่าสามีทานในที่นี้ไปแต่งหรือเปล่าคําว่าสามีทานไมไ่หมายถึงว่าให้สามี จริงๆแล้วสามีได้ไม่มีใครกล้าที่จะ ย, ยกให้กันหรอกคนโบราณจึงบอกว่าเสียท้องเท้าหัวไม่อยากเสีผัวให้ใครแต่ก็ยังว่าแหละคนสมัยใหม่อืได้ท้องเท้าหัวขยากได้ผัวเอาไป<ม>เรียบเลยขอเอาทองมาเถอะทองมันแพงบาทตั้งห้าพันได้เท้าหัวนี่กินไปตลอดชาติก็ไม่หมดแล้วก็สาร้ายยังได้เปลี่ยนคู่นอนอีกด้วยก็ยังดีใหญ่เลยอืมีคนสมัยใหม่แต่คนสมัยเก่าไม่ได้เสียท้องเท้าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเลย นี่ฉะนั้นคำว่าสามีทานในที่นี้ได้แก่ว่าการให้ของสูงืะให้ของสูงให้ของดีให้ของเลิศของประเสริฐดีกว่าที่ตนมีตนใช้คือของสิ่งนั้นอาจจะตนได้มาเก็บถนอมไว้เป็นของดีแต่นั่นแหละก็คือว่าไอ้ของที่มีดีที่ตนมีอยู่นั้นก็เอามาทำบุญสุนทานพี่นะหรือบางครั้งจะให้ของคนอื่นก็ให้ของดีๆนะให้ของดีๆ ในอย่างนี้แหละพู้นั้นก็จะได้ของดีตอบแทนถ้าได้ภรรยาสามีก็จะได้คนที่รูปสวยรูปลอรวยทรัพย์แล้วก็เป็นคนดีมีคุณธรรมอีกด้วยมีคุณธรรมอีกด้วยเรียกว่าไปทั้งไหนก็มีแต่คนนิยมยกย่องนะอาจจะได้เป็นคนที่มีลาบมียศมีลาบมียศทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย แล้วก็ฟ่วนในเรื่องของกินของใช้ก็เหมือนกันย่อมจะได้ใช้ของดีๆของเป็นทริปทั้งนั้นของมีราคาเป็นของดีมีราคามีค่ามากใครเห็นก็เป็นนิยมยกย่องมีเครื่องประดับดีๆทั้งนั้นเหมือนกับพวกนางวิสาขาหรือว่าภรรยาของนายพันธุระแล้วก็ภรรยาของเศรษฐีคนถือว่าเป็นผู้หญิงที่ได้ทำบุญไว้ดีมาก จึงได้มีเครื่องประดับชื่อว่ามหาล ด, ดามีค่าทั้งเก้าสิบโกดอย่างเนี้โอ้โหเครื่องประดับตั้งเก้าสิบล้านเนี่ยก็ขนาดหนักฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องของอามิสตทานนะถ้าคนให้ของดีให้ของประเสริฐก็จะได้ของดีของประเสริฐตอบแทนนะได้เป็นของอที่คนอื่นไม่ได้นะได้โดยยากว่างั้นเถอะนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นพยายาม ให้ของดีแก่กันนะแล้วก็เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะอะความจุดเป้าหมายในการให้ทานก็เป็นว่าเพื่อกําจัดความตนันหนีนะานกนะาจัดความเห็นแก่ตัวนะกำจัดความเห็นแก่ตัวเพื่อให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงฆ์พระผู้อื่นนะด้วยกําลังทรัพย์ บ, บ้างด้วยกําลังของวัตถุสิ่งของบ้างนะช่วยเหลือกันในยามที่ผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากกว่าดีหรือว่า ในยามที่ผู้อื่นประสบกับภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นว่าอักขีภัยโจรภัยว่าตภัยหรืออุทกภัยเหล่านี้เป็นต้นนะเราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรืออย่างเช่นเราไปบริจาคช่วยกับคนที่ขาดแคลนเสื้อผ้าอาภรณ์หรืออาหารตามแถวทางชนนบดหรือชายแดนหรือในยามที่หน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในประเภทเราสงเคราะห์กันนะสงเคราะห์กัน ฉะนั้นการให้ทานเนี่ยมันก็มีผลมากนะมีผลมากะฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงเกิดมาเป็นคนให้กันเถิดนะเป็นคนให้กันเถนิดโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้นะดูแล้วก็สดชื่นเบิกบานนะน่ารักน่าปรารถนานะนี่เป็นเรื่องของของทานนกถาก็กล่าวโดยเออ่พิสดารบ้างนะเกี่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอามิสทาน ที่มาในข้อสองก็คือศีลและคาถากล่าวถึงศีลนะกล่าวถึงศีลอาศีลก็มีศีลห้าศีลแปดนศีลห้าศีลแปดส่วนศีลขั้นสูงก็คือศีลของพระพิสดุศีลสองรอยี่สิบเจ็ดแล้วก็ทรงแสดงประโยชน์ของศีลว่าการประพฤติเรียบร้อยนั้นเป็นการเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ทําอันตรายให้เกิดขึ้นในหมู่ที่ตนเข้าอยู่อาศัยให้รู้จักนับถือบุคคลอื่นฉะนั้นการที่เรามีศีลห้าศีลแปดก็ง่ายง่ายแค่ศีลห้าก็คุ้มค่ า, า, าถ้าคนเรามีศีลห้าก็แสดงว่าเราทุกคนนั้นไม่เบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันนั้นไม่เป็นทางแห่งสันติสุขแต่ว่าเราไม่เบียดเบียนกันนี่มันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขเป็นบ่อกเกิดแห่ง แห่งความสงบแห่งความสามาัคคีนะแล้วก็การที่เราไม่ไปเอาเปรียบผู้อื่นด้วยการลักขโมยเขาของสิ่งนั้นเขาจะได้มาก็ด้วยการที่ต้องลงทุนลงแรงแรงกายแรงใจต้องเหนื่อยยากลาบากอับเหนื่อยตังน้าแต่ว่าเราประเภทชุบมือเปอิดนะชุบมือเปอิด<ล>เห็นแก่ตัวเที่ยวไปลักขโมยของเขาออันนี้ก็เป็นการเบียดเบียน ก, กันอะีกนะไม่ดีเกิดทุกเกิดโทษเกิดอันตรายะเราไม่มีความยำเกรงไม่เคารพในสิทธิของบุคคลอื่น หรือว่าเราประพฤติผิตเวณีโดยการฉุดค่าอนาจาร์ขมขืนหรือหลอกลวงอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการย่ํายีจิตใจทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทอาจจะถึงการฆ่ากันตายก็ได้นะแล้วก็เป็นปัญหาของสังคมอย่างในปัจจุบันนี้ทั้งโซ่พิมพ์ก็ลงอยู่ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาในสังคมนะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเว้นสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนที่สุดสังคมก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและก็ความเจริญก้าวหน้ายิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราไม่มีการพูดโกหกหลอกลวงกันมีแต่ความจริงใจให้กันแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมไรไยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งโทษอาจจะทำล่วงศีลได้ทุกข้อนะคนเราถ้าบัวเมาประมาทซะแล้วก็ทำอะไรก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าสัตว์ได้ทุกชนิด พระพุทธผิดศีลร่วงศีลได้ทุกอย่างแล้วเมื่อศีลแปดก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุโบสถศีลนะเป็นศีลขั้นสูงต่อไปอันนี้ผู้ที่พระพุทธได้ทั้งศีลท่าศีลแปดก็ถือว่าผู้นั้นมีคุณธรรมสูงนก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองเรียกว่าเราเคารพในสิทธิของกันและกันประการที่สามก็คือสักการะก็ได้กล่าวถึงสวรรค์ ขอย้อนไปถึงเรื่องศีลแล้วก็ถ่ายอีกหน่อยคือการที่เรามีศีลก็นอกจากว่าเราจะาทําจิตใจของเราให้สูงส่งแล้วก็ยังเป็นบ่อกเกิดแห่งสันติสุขทําให้เรานั้นมีคุณธรรมก็คือได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการเลยจะทําให้เรานั้นเรียกว่ามีโภพสมบัติ มีพภคสมบัติมีของกินของใช้สมบูรณ์นี่มันก็เรื่องศีลทางนั้นทีนี้มาในข้อที่สามสักกะกาถาก็คือกล่าวถึงสวรรค์คือคุณงามความดีอันผู้ให้ทานและก็รักษาศีลจะพึงได้รับในมนุษย์โลกตลอดขึ้นไปจนถึงสวรรค์อันเป็นอัาทะาอันเป็นอัาธะอันนี้ก็หมายความว่าคือ อาสาทานนี่หมายถึงว่าลดลดลดความยินดีในกลารับอร่อยแห่งกลางเพื่อเสริมอานิสงส์แห่งทานและก็ศีลทั้งสองนั้นให้เด่นขึ้นก็หมายถึงว่าคนเราถ้าหากว่ามีชีวิตแล้วก็มีการให้ทานนะมีการให้ทานกั น, นช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่เป็นคนตณนีทีเหนียวมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญช่วยเหลือเกื้อกูลกั น, กนตามฐานะตามโอกาสแล้วก็มีการรักษาศีลเป็นการไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทาร้ายกันไม่หลอกลวงกันไม่เค้นฆ่ากันไม่ทรมานกันแน่นอนที่สุดคนทำอย่างนี้ได้ ก็เท่ากับว่าเป็นสวรรค์นะได้สวรรค์สมบัติแล้วอืะได้สวรรค์สมบัติคือจะมีความสุขที่ที่เหนือเหนือกว่าคนธรรมดาในความสุขอย่างนี้เนี่ยเป็นสวรรค์สมบัตินะเป็นสวรรค์สมบัติเดังนั้นก็ถือว่าถ้าคนเรามีการให้ทานรักษาศีลแล้วก็แน่นอนที่สุดอย่างน้อยๆก็แม้ว่าจะสิ้นอาจากอัตมภาพนี้ไปแล้วก็จะต้องได้มา เป็นมนุษย์อีกอ่าสูงขึ้นไปก็ได้อ่าเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาสูงขึ้นไปก็ได้เป็นอ่าพวกอ่าพรมรูปกระพรมอารูปกระพรมถึงที่สุดก็อาจจะหมดกิเลสตัณหาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ได้มรรคได้ผลได้นิพพานอีกก็ได้มาในข้อที่สี่ก็คือการมัททีนวัฏฐาการมัททีนวัฏฐาก็คือกล่าวถึงโทษแห่งกามอันกามะคุณ คือสมบัติในมนุษย์ก็ดีในสวรรค์ก็ดีแม้จะให้สุขแก่บุคคลเป็นอนเนกประการก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นความสุขสมบัติอันเจือไปด้วยทุกมีประการต่างๆเช่นเดียวกันควรรู้ตามความเป็นจริงนะไม่ควรเพลดิดเพลินหมกมุ่นไปโดยส่วนเดียวควรจะเบื่อหน่ายด้วยเหมือนกันและควรแสวงหาความสุขอันเป็นนิรามิตต่อไป คืออันนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าแม้สวรรค์ก็ยังติดกรรมนะดังนั้นจึงเรียกว่ากรรมมาพยจรเนี่ยสวรรค์หกชั้นนี่ก็ยังติดกรรมอืายังติดอยู่ในกรรมเขาจะเรียกว่ากรรมมายังท่องเที่ยวไปในกรรมอยู่ฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในชั้นไหนมันก็ควรจะน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายควรจะละทิ้งเลิกละในชั้นนั้นๆต่อไปแล้วเอาให้ที่มันสูงขึ้นไปอีกะที่มันสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอื เพาะว่าสุขอย่างที่เราได้นะั้นมันยังเป็นสุขที่เจือไปด้วยด้วยทุกนะเจือไปด้วยทุกเมื่อเราขาดสิ่งนั้นเราก็จะเป็นทุกขันทะีอ่าสวรรค์ก็ยังมีการต้องการมีการแจ่งแย่งกันแต่ว่ามันแจ่งแย่งหรือว่าได้ก็เป็นของเทพ็พเป็นของละเอียดประณีตสุขุมนะนี่ก็เป็นเรื่องของของกรรมนะเป็นเรื่องโทษของกรรมนะโทษของกรรมถ้าหากว่าเราไม่เพลิดเพลินหมกมุ่น ได้โดยส่วนเดียวก็แล้วก็มาเห็นว่าเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็จะทําให้เป็นทางที่หลุดพ้นสแสวงหาความสุขยิ่งขึ้นไปคือเอานิรามิตรสุขก็คือความสุขที่ไม่อิงอามิสุนั่นเองก็เราก็จะได้สุขที่เป็นทิศยิ่งขึ้นไปอีกจะนี่ขึ้นไปอีกมาในข้อที่ห้าก็คือเนคคำมานิสังสกถากล่าวถึงอนิสงส์แห่งความออกจากการรม คือทําจิตไม่ให้หมกมุ่นผัวพันอยู่ในกามเพราะกามนั้นจะทําให้ผู้ติดหลงไหลมัวเงาไม่สามารถที่จะรื้อตนออกจากวัฏสงสารได้หรือจะถอนตนหรือว่า ต, ตัดตนออกจากวัฏสงสารได้ในคําว่าวัฏสงสารก็หมายถึงว่ายังต้องท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้ก็คือในวัฏนี่เองอยังต้องวนเวียนอยู่วนเวียนไหวเวียน อาการเยียนไหวาตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบจักสิน้นคนโง่ย่อมปรารถนาการเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่นักปรารถ น, น, น, นาการเกิดอยูตนั้นไม่ปรารถนาการเกิดอยากทําตัวเองให้สิน้นพบสิ้นชาติกันในปัจจุบันนี้แต่คนโง่ก็ปรารถนายอยู่เรื่อยเจา้าประคุณเกิดชาติใดเซนในก็ขอให้เอร่ํารวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเจา้าประคุณเกิดชาติใดก็ขอให้อ มีรปูปสวยรปูปลออรปูปงามในสามีดีภรรยาดีเราก็จะปรารถนากันอยู่แค่นี้ก็คือปรารถนาการเกิดอยู่เริ่มไปนี่มันเรื่องกลมทั้งนั้นนะเรื่องกรมทั้งนั้นเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาฉะนั้นเราก็ยังออกจากวัตฏะไม่ได้วัตตะสามก็คือว่าวนคือวัตตะเช่นว่าอา่ากิเลสวัฏนาอา่ามีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมนะอา่เอาเรียกว่าเรียกว่ากรรมวัฏนาวนคือกรรม อเมื่อเราทำกรรมเราก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมวิปลากระวัตก็ได้รับผลแห่งกรรมเมื่อเราได้รับผลแห่งกรรมที่การกระทำเราก็มีกิเลสอิกก็วนกันอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุให้ทำกรรมต่อไปถ้าเรายังทำในฝ่ายกรรมดียังทำดีไม่ถึงที่สุดเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดทำชั่วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่เรีายกว่าย้ยายภพย้ายชาติกันอยู่ร่ำไปมันก็ไม่ไม่รู้จักจบจักสิ้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าอเนกชาติสังสารังสันถภาพิสั ง, ส ง, ส ง, สง อันนี้พี่สังหาการังคเวสันโตเมื่อได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนั้นเป็นงแสนชาติก็เพราะไอ้ตัวสร้างบ้านสร้างเรือนี่นี่เองนะไอ้ตัวสร้างภบสร้างชาติสร้างสังขารคือตัวเราเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวกิเลสตัณหานั่นเองแต่บัดนี้เราได้ทำลายเสร็จแล้วไอ้ตัวสร้างภบสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเรือก็คือตัวกิเลสตัณหาทำลายเสร็จแล้วพบไม่มีอีกแล้วชาติสิ้นสุดกันทีที ผมละจันย์อยู่จบแล้วนะเพราะาอะไการเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกข์หมือนเกินนะตอนนี้หมดกันทีอืมพระองค์ในหักกรรจักคือสังสารวัตรเสีได้ <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ <c oughs> เราก็ไม่ควรมีความเพลิดเพลินในกามโดยส่วนเดียวควรจะเบื่อหน่ายด้วยเหมือนกันแล้วจึงทรงแสดงต่อไปในการออกจากกามคือการบรัญชาว่าการบรญชาหรือบวชถือเพศบวชจะเี่ยวบวชกันเป็น ถ้าเป็นเนนกอดีที่เราบวชพราหม์กอดีศีลจารีกอดีศีลจารีนีกอดีเนี่ยคมากอดีที่เรารวมความนี่เรียกว่าบวชพรามอะไรอย่างนั้นอ่ะอันดีทั้งนั้นนะดีทั้งนั้นถ้าหากพวกเราตั้งใจบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติดีศึกษาดีอืการบวชนี่ถือว่าโดยเฉพาะการบรรพชาเนี่ถือว่าเป็นอุดมปเพสสามารถที่จะได้มรรคด้ผลได้นิพพานได้ไงได้มรรคผลได้นิพพานได้ถ้าว่าเราทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ฉะนั้นเมื่อความในอนุปปิกถาเมื่อจะกล่าวแต่โดยย่อๆดังนี้ก็คือว่าอันบุคคลผู้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวย่อมแลเหลียวถึงประโยชน์ของบุคคลผู้อื่นก็ให้ทรัพสมบัติของตนเกื้อกูลบุคคลอื่นมีศีลประพฤติเรียบร้อยไม่จองหองเบียดเบียนใครตั้งตนได้ไม่เบียดเบียนใคร ตั้งตนได้ในการสมบัติแล้วไม่เพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่ในในสมบัตินั้ น, นในสมบัตินั้นมองเห็นโทษของกามมีความเบื่อหน่ายมุ่งสุขอันสงบอย่างยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นผู้ควรรับปรเทศนาอย่างสูงก็คืออริยสัจสี่ เหมือนผ้าอันฟอกให้หมดจดสะอาดแล้วควรรับน้าย้อมมีประการต่างๆตามความปรารถนาของผู้ที่จะย้อมสีสีใดก็ย่อมได้สมความประสงค์นี่เป็นเรื่องของอนุปุพิกถาทั้งห้าประการ <c oughs> ก็คิดว่าพอเป็นแนวทางนะ <c oughs> พอเป็นแนวทางทีนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าอะไรเรียกว่าอนุปุพิกถา พระองค์ทรงเลือกแสดงแก่บุคคลเช่นไรแก้แก้ว่าเทศนาที่ทรงแสดงไปโดยลําดับเพื่อฟอกอัธยาศัยของอบุคคลให้หมดจดเป็นชั้นๆเรียกว่าอนุภูปิกถาบุคคลผู้สมควรที่พระองค์จะทรงแสดงอนุภูปิกถาให้ฟังได้นั้นต้องประกอบด้วยองาาค์สามคือหนึ่งเป็นมนุษย์สองเป็นครือขัสสามเป็นผู้มีอุปนิสัยยกตัวอย่างเช่นพยศะหรือพยศเป็นต้น นุตยาถามว่าสัพพวัตถุต่างๆมีทองและเงินเป็นต้นยังมีเครื่องขัดสีเพื่อให้สะอาดสดใสส่วนสันดานของมนุษย์มีอะไรเป็นเครื่องฟอกเรียกว่าอะไรอันนี้ก็ตอบได้เลยว่ามีธรรมห้าประการเป็นเครื่องฟอกเรียกว่าอนุพุทธกถานั่นเองนุตยาถามว่าอนุพุทธกถาให้เป็นเป็นเหตุเป็นผลเนื่องถึงกันอย่างไรอันนี้เราก็แก้ ว, ว่า ชนผู้ไม่เห็นแก่ตัวอาจบริจาคทรัพย์สมบัติของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าฐานกถาแต่นั้นก็สามารถที่จะรักษากายวจีให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลกถาในระดับนั้นผลที่เขา้าที่เขาจะได้ก็คือสวรรค์อันเรียกว่าสกกถาชนผู้ได้รับผลอย่างนี้แล้วย่อมมีเวลาเบื่อหน่ายอันเรียกว่ากามมทินวัคขาแต่ผู้นั้น ก็ย่อมเห็นอนิสง์ของเนคข ม, มักในสังสกถาอันเป็นผลที่มุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาะฉะนั้นอนุปวิกถาห้านั้นต่างก็มีเหตุผลเนื่องถึงกันอย่างนี้เอาละเกี่ยวกับการบรรยายเรื่องอนุปพพิกถาห้าในหมวดที่ห้าก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะพูดในหมวดที่ห้าว่าด้วยเรื่องกรรมคุณห้าคือหนึ่งลูกสองเสียงสามต่นสี่รถห้าบททั พ, พะ ทั้ง5าอย่างนี้เรียกว่ากามคุณห้าอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั้นคำว่ากามคุณก็ได้แก่อารมณ์อันเป็นที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมีห้าอย่างคือหนึ่งรูปได้แก่รูบอันจะพึงเห็นได้ด้ยจักสุ เป็นรูปคนหรือรูปสัตว์หรือรูปวัสดุต่างๆไงรูปวัสดุต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเมื่อตาเห็นเข้าแล้วก็ทําใจให้รู้สึกรักใครยินดีอยากได้อยากมีที่มีอยู่แล้วก็ไม่อยากให้พัดพลาดจากไปเสียงอยากให้คงอยู่กับตนอยู่เช่นนั้นตลอดไปแล้วก็อยากแสวงหาต่อไปอีกนะคอยแสวงหาต่อไปอีก อันนี้แหละได้แก่รูปนะ่ะได้แก่รูปในโดยเฉพาะรูปเนี่ยคนเราติดกันน่ะติดกันเน่เพราะมีรูปเท่นั้นแหละรูกเสียงกลิน่นรสประสาทภะก็ตามมาเพราะในรูปมันมีอะไหลายๆอย่างนะ่อมีอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็มีคําหนึ่งที่เขาพูดขอประทานโทษ อาจจะพูดในคำไม่สุภาพเขาถามบอกว่าในรูปมีอะไรจึงทำให้คนติดตัวนั้นก็เลยตอบว่าเพราะในรูปมีรูจึงทำให้คนติดเนเอารูปเขาตัดตุกปอออกไปก็เหลืออยูคนเงานั้นมีทั้งหมดอยู่เก้ารูทั้งผู้หญิงผู้ชายก็คือทวานเก้านั่นเองมีตาสองจงูสอง หูสองก็เป็นหกปากอีหนึ่งก็เป็นเจ็ดทวารหนักทวารเบาก็เป็นแปดเป็นเก้านี่แหละถ้าหากว่าคนเราไม่มีทวารทั้งเก้าแล้วคนเราก็จะไม่นักไม่ชอบกันก็มเหมือนว่าไม่มีรูปนั่นเองนีฉะนั้นเร้่องโลกมีนคนเราถึงติดกันมากนะหล้ไหลกันมากฉะนั้นนี่ก็พวกเป็นย่ยอยๆเพราะได้พูดมาในต้นๆมากแล้วเสียงก็เหมือนกัน เสียงได้แก่เสียงอันจับถึงได้ยินได้หูมีเสียงขับร้องเสียงดนตรีที่บรรเลงเป็นต้น อ, อันเป็นเครื่องจูงใจให้บุคคลผู้ได้ฟังเพลิด เ, เพลินแล้วก็ได้เลงหลงซึ่งเรียกว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาหน้าพอใจ <c oughs> แล้วคนเราเมือ่อติดในเสียงหลงในเสียงแล้วก็แน่นอนที่สุดความหายหน้าที่จะเกิดขึ้นก็หลายทาง ทำให้เรานี้ต้องต้องกัวงวลกังวลต้องเกิดความวิตกกัวงวลถึงแต่เสียงนั้นอยากได้ยินได้ฟังถ้างักนว่าเราไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไอุปาทานมันเกิดขึ้นเป็นทุกข์ซะแล้วเป็ทุกข์อย่างนีออ้แล้วยิ่งไปกว่า น, นั้นก็คือว่า บางครั้งเสียงเสียงของของคนคนหนึ่งเสียงอย่างหนึ่งนี้ย่อมไม่ถูกใจของคนทั่วไปเสียงของค น, คนที่ว่าไม่ดีคนหนึ่งอาจจะว่าดีก็ได้ในคนว่าดีคนหนึ่งว่าไม่ดีก็ได้ก็ย่อมแตกกันไปแต่จะยังไงก็ตามเสียงก็ถือว่ายังมีอํำนาจที่จะจูงใจให้บุคคลได้หลวงไหลติด แล้วก็เป็นหมอกเกิดเป็การแข่งแย่งกันแข่งแย่งกันมีการทะเลาะวิว่าห์ผลที่สุดก็คือฆ่ากันตายหว่าบางคนก็ยังต้องเอาเงินไปเพิ่เพวกเสียงนี้เป็นหมดเงิหมดตัวก็มีนะหมดเง้นหมดตัวก็มีซือเสียงนรองจ้างนักร้องหรือ ว, ว่าหานักร้องไปเล่นนะไปฟังเสียงมันมีการติดติกักกนทางานต่างๆอผล ท, ที่สุดก็คือที่เดือดร้อนก็คือชาวบ้านกับชาววัด เอาเงินไปให้เขากินบะเนี่ยางวัดก็นอกจากว่าจะขาดทุนแล้วก็ไอ้วัดนี่ก็กลายเป็นที่สกปรกเป็นที่สกปรกแต่ยังที่ท่านพูดนะเนห่ยไอ้วัดก็กลายเป็นเวัดไปอีกเนี่ยสกปรกไปเลย <c oughs> นี่เป็นเรื่องเสียงนี่กลิ่นก็เหมือนกันได้แต่กลิ่นของสัพพวัตถุต่างๆมีกลิ่นน้ํำอบกลิ่นน้ำหอมกลิ่นน้ำดอกไม้เป็นต้น รวกกลิกล่นดอกไม้ต่างๆเม้ได้สูดได้ดมก็เป็นที่น่ารักน่าประทับนานน่าพอใจแพราะฉะนั้นคนพวกเราเราจึงติดกลิ่นกันเวลาจะซื้ออะไรได้อะไรมาเราต้องไปดมวาหอมนะั้มไอ้ของหอมนั้นอาจจะไม่มีคุณค่านะดีเสหอไปไอ้ของที่ไม่หอมอาจจะมีคุณค่าดีกว่าของหอมก็มีแต่เราไม่ได้คํานึงกันนึ่งแต่ว่าไอ้ของที่หอมจะต้องเป็นของดี แต่นั่นก็เลยทําให้พวกพ่อค้าในทุนที่เขาฉลาดเป็นลาจะถึกวัตถุ ต, ต่างๆเลยก็พยายา ม, มใช้สารเคลือบ ต, ต่างๆผสมให้หมันหอมนิดหน่อยเนื่อพวกเราก็หลงกันติดกันเป็พวกน้ำหอมหรือน้ำอบต่างๆขวดเล็กๆิดๆในห่อยขวดตั้งเป็นน้อยเป็นพันดังั้นพวกเรายังส้ำหากันมาได้แต่ของจริงของใช้ไปจําในเรือนโคลขวดละห้าบาทสิบาทแล้วกับขาดแคลน นี่มันเรื่องอะไรก็ก็ลองคิดดูนี่ก็เพราะไอ้เรื่อติกมันหลงมันก็เปอุปาทานอีกนั่นแหละหลงเป็นติดเป็นกันดังนั้นไอ้เรื่องหลงเนติดเป็นนี่แหละก็ทำให้ให้เราก็เกิดการทะเลาะวิวาบาดหมางกันการแป้งกันเอาวัดเอาปวดกันหรือถึงการฆ่าตัวฆ่ากันตายก็มีนี่ก็เป็นเรื่องของเกลิ่นหลงเกลนของติดเปลน รสก็เช่นเดียวกันข้าสี่รสก็ได้แก่ารถของวัตถุต่างๆที่บุคคลโดยโภคาได้แก่ลิ้นรสหน้าปราถนาน่ารักหน้าใคร่หน้าพอใจไอ้คำว่ารสในที่นี้ก็หมายถึงว่ารสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเผ็ดที่เราได้สัมผัสไปทางลิ้นแต่ถ้าพูดในแง่ของธรรมะแล้วก็ ไม่ใช่แตพียแค่นั้นไม่ใช่ว่ารูปมันเกิดจากเพื่อนในปากของเราเท่านั้นเกิดทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจงมูกก็ได้ทางการสัมผัสก็ได้าทางัมผัทางกายบางครั้งตาเห็นรูปก็เกิดกกความอริดอร่อยทางตา่างเห็นรูปเป็นที่น่าพอใจนีก็เกิดความอริดอร่อยต่างๆถ้ารูปไม่พอใจก็จแสดงว่าไม่อร่อยทางตา่างฉะนั้นบางทีเราดูรูปอะไรแล้วก็เกิดความหงุดหงิด น่ะโลงตัวขึ้นมาบางคนเวลาถึงนั่งหายไปเลยก็มีชอบไปเลยก็มีมันอร่อยมากเกินไปนีเสียงก็เหมือนกันทางครั้งก็อร่อยเสมอหรือเล่นเป็นเวลออกมาหาหรือวกปลดมือห่างนี่มันอร่อยทางหูน่ะเสียงมันอร่อยทางหูถ้าเสียงไม่เพราะก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็เบื่อบางทีถึงไล่ส่งไปเลยนี่ไม่ไหว อย่างนี้ไม่ไม่ถูกหูที่เราบอกว่ามันขวางหูนะเลินก็ทํานองเดียวกันแต่อายของจมูกถึงกระเทาะแสวงหาคันจมจมูกแหว่งจมูกนึ้นจมูกขุหรือจมูกเป็นไซน่าไสนก็มีนี่เป็นเรื่องของการหลงกลก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาทหมาง ก, กันและ้ฆ่าตัวฆ่ากันตายก็มีเฉะนั้น ถ้าพูดถึงในเรื่องรถในที่นี้ก็หมายถึงว่ารถที่บุคคลบริโภคเข้าไปรถอาหารต่างๆที่พวกเราติดกันบางทีอาหารของคนโน้นอะไรคนนี้ไม่อร่อยนะบางทีอยู่ไกลแสนไกลเราก็ต้องผอกันไปกินในการผอไปนั้นก็อาจจะต้องเสียการงานเสียน้ามันเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเสียทองโดยไม่จําเป็นแค่นั้นไม่พอบางทีก็ถูกยืมหรือถ้าเราไปกินกันด้วยความ ่าสนุกเคฮนะงมาก็อาจจะมึนเมานกอาจจะกลับมาอาจจะรถเกิอุบัติเหตุนะตกาข้างทางคว่ำทางหรือาอาจจะชนกันบาดเจ็บหรือทุกพลภาพหรือาจจะถึงที่สุดก็คือตายก็ได้นี่ก็ข้าคนติดเนาะคนอยู่ในกรุงเทพก็ไปกินตังหัวเงิต่างๆนะก๋วยเตี๋ ย, ยวโก้ฮัฟ เ, เ, เจ้าเก่านะก๋วยเตี๋ยวเรียเจ้าเก่าไม่ทราบไอเจ้าเก่าเานี่ยมีกี่เจ้า เพราะว่าเป็นเงินเป็นเงินหรไปทางไหนก็เจอแต่เจ้าเก่าเจ้าเก่าเป็นเงิร้อเจ้านะโกหกเจ้าก่านะเป็เจียเรืเจ้าเก่าถึงได้เอาเรืขึ้นมาตั้งบนสนามหลวงก็ยังบอกว่าเเยเเจ้าเก่าอืมไอเรือนี่ธรรมดามันอยู่ในน้ำแต่อันนี้เอาไปวางไว้ตรงกลางสนามหลวงบนปกชัดๆแล้วก็บอกนี่เป็เจียเรืเจ้าเก่าแต่เรือก็ยังใหม่อยู่เหมือนเดิมนะทันี้ทั้งนั้นกหมอเรือเจ้าเก่าบางทีเอาไปตั้งบนตรงนี้นะมัน่าจะบอกเ ก็ย si e, ังไปเรียกเปเี่ยวังไออีกนะเปเียวเรือเอารขึ้นไปวางไว้บนรถมันบอกปี่ยวือนี่ดูสิคนดังนี่มันมันหลอกหลอกเอาคนไปกินได้มันก็อเก่งเนาะแสดงว่าคนไปกินก็ง่วเต็มที่ในกระป๋าทานยึดนั่งถึงนั่งเาไปวี๋ยวเรนี่มันต้องอร่อยนะถ้าจะมาอยู่ในร้านมันไม่อร่อยเหมือนกับเป็นี่ยวเรือนะก็นี่มันก็เป็นเรื่องของคนติดนะติดรถ งานะสิ ح, ร์วลตั้งเองฉะนั mm hmm. ส้สังเกตดูสิบางครั้งไอ้ของสริงนั้นเรากินไปแล้วมันก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไม่ใช่ว่าเรากินไปแล้วมันอทําให้เร า, เาสิ้นเดินขึ้นวิเศษขึ้นกว่าเดิมมันก็เงานมันก็เหมือนกับที่เรากินอาหารที่บ้านมันแหละงั้นก็เรากินอาหารที่บ้านจะดีกว่าด้วยราคาเท่ากันแต่เรากินกันได้มากกว่านะไดน้นนิดเดียวนะนิดเดียวนี mm ่ hmm. เพระนี่มันเรื่องของรถทั้งคนติดรถนั่นเองดังนั้นการติดนกนี่ก็อาเป็นเหตุที่ทําให้เรานั้นเกิดการแข่งยิ่งกันเกิดการทะเลาะวิวาสเอารันเอาเปารือกกันปะหักปหารกันอืมมาดเจ็บที่เปราะพ่ายเป็นที่สุดก็คือตายานข้อสุดท้ายก็คือโผฏฐพัพธ์อันนี้ก็หมายถึงว่าได้แก่สิ่งอันจะถูกถูกต้องสัมผัสได้ด้วยกายอาจจะเป็นสัตว์หรือว่าวัสดุสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม เรื่องกายไี้ถูกต้องแล้วทําให้รู้สึกเพลิดเพลินยินดีหมกมุ่งอยู่ในสิ่งเหล่านั้นคือการถูกต้องทางกายก็ถือว่ามีความเย็นน้อนอ่อนแข็งคนเรานี่มันก็แปลกไอ้แข็งเกินไปก็ไม่ชอบอ่อนเกินไปก็ไม่ชอบชอบในระหว่างแข็งกับอ่อนไอ้แข็งกับอ่อนมันก็นุ่มๆนิ่มๆน่ะนุ่มๆนิ่มๆมันชอบให้่อกายของเราสัมผัสชอบไอ้ของที่มันนุ่มๆนิ่มๆมันก็เลยยังว่า ของเราก็จึงมาติดกายหลงกายกันทุกวันนี้การสัมผัสกันเมื่อเราหลงอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เราเกิดความแก่งแย่งในการทะเลาะวิวาดบาดหมางกันทำร้ายกันเอาวัดเอาเปรียบกันทที่สุดก็ตัวตายนี่ก็เพราะอะไก็พราะนอุปาทานนั่นเองใอ้ความจริงในสิ่งทั้งหมดนี้มันเป็นกำกลางเนีย่ย ลูก็สักแต่ว่าลูกเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลนรถก็สักแต่ว่ารถ佛陀พระก็สักแต่ว่า佛ธพระไม่ได้สั์บุคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยังอยู่นี่มันอยู่กลางกลางแต่ว่าเราไปเพงแสงที่มันเกิดอ่าดีเกิดนี่ดีขึ้นออุปาทานก็เกิดขึ้นตั้งหาก็ติดตามขึ้นมางานยากหนักหนอืมก็เกิดตั้งหาอุปาทานขึ้นอย่างนี้ เอเราเกิดความยึดมั่นถือมันหวังงี่ยมมันต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องเป็นของเราเนี่ยมันก็นี่แหละทบทโทษมันก็เกิดขึ้นตรงนี้อืมฉะนั้นเราจะต้องรู้จักนะรู้จักวางรู้จักความพลดีอืมในรูปมันก็ง่ายป่วยเหมือนกันอันนี้มันเป็นรูปธรรมนามธรรมในจินนี้มันเปลี่ยนแปลงง่าตลอดเวลามันอยู่ได้ช่วงพุทธศยามันก็เปลี่ยนไปอีกฐานะหนึ่งจากเด็กก็เป็น เด็กโตแล้วก็เป็นหนุนเป็นสาวเด็กก็เป็นเท่าเป็นแก่ไอ้เราก็เบื่ออีกแนหะถ้าว่าเราเหน็นลูกอนี้ไม่เบื่อเดี๋ยวจะหนักในร้านแก่ก็ดูดึงก็อีกเรื่ออันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฉะนั้นอที่พูดมาเรื่องกรรมคุณท่าก็เป็นเพียงแนวทาง ย, ย่อๆเพราะว่าได้พูดมาในต้นมากแล้วตั้งแต่นักธรรมตรีนักธรรมโทก็พูดมาในต้นๆมากก็ในที่นี้ก็จะไม่พูดอะไรมากฉะนั้นถ้าหากจะมีคําถามว่า ถ้าต้องการจะจัดการมาคุณ5ให้เหลือแต่เพียงสองเท่านั้นจะจัดยำแรงอันนี้ก็แก้ว่าจะต้องจัดอย่างนี้คือรูปจัดเข้าในจำพวกมหาภูตรูปคือดินน้ำไฟลมคือรูปใหญ่เสียงเป็นนกพธิภพจัดเข้าในอุตตัยรูปนี่เป็นเรื่องของของการมาคุณท่าน ในต่อไปก็จะพูดถึงในเรื่องของจักรสุห่างต่อไปเลยจักรสุห่างก็ได้แก่หนึ่งมังสะจักรสุจักรสุคือดวงตาสองทิพจักขุกจักรสุทิพสามปัญญาจักขุกจักรสุคือปัญญาสี่พุทธจักขุกจักรสุแห่งตถาคตเจ้าห้าสมัญตจักขุกจักรสุรอบข้อ มาจากสุแปลตามศัพท์ภาษาไทยว่าในตาอ่มแต่นี่ภาษาพระเขารีจักขุเนี่ยขอไข่แต่ภาษาไทยก็เป็นจากสุเนี่ยจากสุอ่าถ้าพูดว่ามังสะจักขุที่ป็จักขุอัญญาจักขุพุทจักขุสมัญตะจักขุแต่เม่เราไม่บอกว่าจักขุ คือดวงตาแล้วบอกว่าจักษุคือดวงตาจากัจากษุเพชรจักษุคือปัญญ า, าจากักษุเห็นพระพุทธเจ้าจักษุรอบครอทดันั้นในในในในจกักษุที่แปลวในตาสื่อตาเนื้อที่เห็นอะไรได้ต่งตางๆดังตาของอคนเราทั่วไปแต่จกักษุห้าในที่นี้ท่านกล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะมีห้าอย่างมีห้อย่าง หนงมังสะจักรุจักรุคือดวงตานี้ไม่แก่ดวงตาธรรมดาแต่ท่านกล่าวว่าพระเนตรของสังเดจพระบรมศาสดางประกอบด้วยเส้นประสาทอันดีพระองค์ย่องทอดพระเนตรเห็นอะไรได้แจ่มใสเห็นได้ไกลทั้งเห็นได้ไวกว่าจักรุสระของสามัญชนทั่วๆไปแม้ว่าพระองค์จะอยู่ห่างไกลกนแค่ไหนพระองค์ก็มองเห็นได้ อบางทีก็มีอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าที่เรียกว่าที่ปจักษุนั่นเองนม่เหมือนกับจักษุของพวกเราในพวกเราเนี่ยบางทีก็บอดสีนะตาถั่วนะตาถั่วตาเหล็ทกังไม่ได้ควับอืมเรียกว่าในมังสะจักษุบางทีก็ตาบอดเป็นต่อเนื้อตาหินต่อกระจกอะไรต้นสารพัดตาเปียดตาแดงตาแฉะอนมนี่เรียกว่า ตาของของคนทั่วไปก็มักจะเป็นอย่างนี้แต่ว่านังนังสัตว์แกปุของพระพุธทธองค์นั้นก็เรียกว่าตาเจ่มใสเนีะ่ะไม่ว่าเห็นอะไรก็ได้ไกลกว่าว่องไวกว่าคนธรรมดาแล้วที่สองก็คือที่ประจักษกุได้แก่จกักษุทิพย์ได้แก่พระองค์เล็งเห็นหนูสัตว์ต่างๆอันเป็นไปด้วยอํานาจแห่งกรรมคือได้สุกบ้างในทุกบ้างสามีบ้าง อยากบ้างตามกําลังกรรมของสัตว์ที่ทําดีไว้หรือทําเมไว้อันนี้หมายความว่าพระองค์สามหน้าที่จะมองเห็นว่าที่คนเราเกิดมาได้สุขได้ทุกข์นี้ด้วยอานาจกรรมอะไรนี่มองเห็นอันนี้หมายถึงมาจากสุทิอต ม, มองเห็นเนี่ยฉะนั้นเพราะทํากรรมอันนั้นจึงได้สุขเพราะทํากรรมอันนี้จึงได้ทุกข์เพราะทํากรรมนนั้นจึงทําให้เขาได้รับความแปรนี้ อ่าไม่ละเอียดสุขุนทำกรรมนั้นที่ทำเขาต้องได้รับความโทษคือยาบอืมอย่างนี้เรียกว่าทิพจักขุคือจักสุทิตาทินั่นเองสามปัญญาจักขุคือจักสุคือปัญญาในแก่ทรงพิจารณาเห็นยยธรรมก็คือธรรมที่ควรรู้อืาด้วยพระปีชายานเนี ฉลาดสา ม, มารถรอบรู้เหตุผลต้นปลายของธํานั้นๆเช่นพระองค์จักเสวียสัจสี่รู้ทุกเรื่องให้เกิดทุกความแบบทุกความถามให้ถึงความแบบทุกเหล่านี้เรียกว่าปัญญาจากักขุจกักขุคือปัญญาเลียงไปกว่านั้นพระพุทธองค์ได้เล็งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาก็คือเรียกว่าพระองค์สา ม, มารถที่จะรู้ว่าใครมีวิสัยอย่างไร นี่วนนิสายอย่างไรเข้าใจว่าผู้นี้มีิสายที่พอจ ะ, สะแสดงธรรมบรรลุโปรโดให้บรรลุนนทธรรมได้าในบรรลุโซนาได้ในบรรลุสกะทาคาได้ในบรรลุองงานาคาได้หรือบรรลุอรหัดได้เนี่ยพระองค์ก็จ ะ, สะแสดงอันนี้พระองค์รู้อยากรู้ด้วยปัญญายังรู้วาระจิตของคนทั่วไปพะั้นเวลาพระพุทธองค์สแสดงธรรมที่ไหนจะมีคนบรรลกันนี้ นักันรลุมักบรรกผลกันมากตามอุปนิสัยฉะนั้นตอนเช้าเมืกก่อพระพุทธองค์จึงไม่เรียกว่าตรวจดูสัตว์โลกว่าใครที่มีอุปนิสัยพอที่จะไปตรวจไปสแสดงธรรมได้พระองค์ก็จะไปใครที่เข้าขายคือพยานอยู่ในขายคือพยานมาออกบุคคลนั้นอจะบรรลุพระองค์ก็จะเด็จไปแม้ว่าจะอยู่กันคนล้มเงนโลกหรือว่าอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ไปได้ เนี่ยไปด้วยอํานาจของอของเล็กหรือของไม่ว่าของชาเนื้อของยานหรือด้วยอํานาจของพระมารุภาธรรมารุภาษนั่นเองในข้อที่สี่พุทธจักขุจักสุแห่งพระพุทธเจ้านี้ได้แก่พระองค์ทรงพิจารณาเห็นผุ้ปนิสัยของหมูสัตว์ที่พระองค์จะพึงแนะนำท่านสอนให้รู้ธรรมซึ่งมียิ่งยอนกว่าการแนะนำ เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบดนพุทธจักรสุแล้วก็สเสด็จโปรดท่น้นไปพูดในปัญญาจักสุอเล็กน้อยแล้วว่าอันนี้แหละเป็นลักษณะของจักรสุของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะรูป้ปณิสัยของบรรดาคนทุกคนผู้หญิงผู้ชายคนนี้มีปณิสัยอย่างไรก็เอาทำอย่างนั้นให้เรียกว่าพระองค์จังสามารถแสดงธรรมโปรดให้คนถูกจิตถูกใจได้ กาที่เราแสดงทันทุกวันนี้มันก็เหมือนกับว่าวานแหงลงในน้ำเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมีปลาหรือเปล่าพอวามันปังได้บ้างไม่ได้บ้างแต่แมันไม่ได้จะน่า ก, กว่าเพราะผู้แสดงก็ยังไม่รู้ไอผู้สนับก็ยังไม่รู้เนี่ยตังตังตังไม่รู้ก็ยังว่าเหมือนกับคนตานบอดก็ซุ่มคนตาบอดก็ตกของบอดกันพ อ, อดี ว่ที่สแสดงนั้นก็หมายถึง่เป็นผู้ค้นคว้า ม, มามากน้อศึกษนะา ม, มาดีหน่อยก็สา ม, มาที่จะชี้แจงสแสดงให้ผู้ฟังที่ศึกษา ม, มาน้อยปฏิบัติมาน้อยได้รู้ได้เข้าใจนะได้รู้ได้เข้าใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของพุทธจักรกุลนะพุทธจักรกุลฉะนั้นให้สังเกตดู พระพองค์ยิ่งได้แสดงทำที่ไหนหรือกับใครมีปัญไส ย, ยางไรพระองค์ก็จะใช้ธรรมอ น, นันต์แก่ยงเช่นว่าคนไหนติดในกาามพระองค์ก็จะแสดงเรื่องกลามติดในรูปก็แสดงเรื่องรูปติดในเสียงก็แสดงเรื่องเสียงติดในกลิ่นก็แสดงเรื่องกลิ่น กำลันนางตนนักงานกำลังเรื่องแผ่นดินพระองค์ก็จะเอาพูดถึงเรื่องแผ่นดินเรียกว่าทรงแสดงกับพระพิสูจนี่ก็อนคยและถามก่อนว่าท่านคุยกันเรื่องอะไรส่วนนักา ง, งานทำกันเรื่องอะไรถ้าบอกพูดเรื่องนั้นนี้ท่านก็จะแสดงเรื่องนั้นให้พิสดารจนกระทั่งหนึ่งพวกนากพิสูจน์เหล่านั้นได้รับได้ผลกันตาอุปาณิสัยเพราะที่เขาพูดกันถึงเรื่องนั้นก็แสดงว่ามันชัยอยากรู้อยากทราบอย่างนี้ อ, อันนี้ก็ เรียกว่าพระองค์ทรงรู้อุปนิสัยจิตใจของเหล่าเวนัสสัตว์ของคนทั่วๆปันแล้วก็เอาทมที่เหมาะสมให้ป็เหมือนกับว่าหรือว่าใครต้องการอาหารอย่างไรก็เอาอาหารอย่างนั้นที่คนกินก็ถูกใจติดจกินแล้วก็อิ่มสมบูรณ์นี่พวกนา้นนี่ไม่รู้บางทีเขาชอบน้าเอาข้าวไปให้เขาชอบข้าวเอาน้าไปให้มันไม่ถูกกันนี่นก็ดาวดาวสุ่มกันเอา ท่มามีในข้อที่หาก็คือสมนญตจ์จัจักรุจักรสุรอบคอบไม่แก่พระองค์ทรงทราบ ธ, ธรรมทั้งปวงก็หมายถึงว่าพระองค์ทรงเป็นเป็นสัพพันธอยู่รู้เองเห็นเองไม่มีใครแนะนำสำสรรําสั่งสอนตัณห์ของพระองค์นี้เรื่องวิสัยของสัตว์ทั้งหลายของบุคคลทั้งหลายพระองค์ทรงรอบคอบทุกสิ่งทุกประการหาผู้หนึ่งทู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้คําว่าสมัญต์ได้ไปว่ารอบ รู้รอบนี่เห็นรอบว่านั้นเถิดเห็นด้วยปัญญาจักขุเนเห็นด้วยจักสุขนี่เป็นเรื่องของของจักสุห่านี่จักสุห่านั้นที่ที่พูดถึงเรื่องจักสุห่านนี่ก็พอเป็นแนวทางยอดยอดนะพอเป็นแนวทางยอดยอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่า ฉนันนังตะจักขุจักสุโลกข้อนี้ท่านกล่าวว่าสำเร็จพระพุทธเจ้าย่อมทรงทราบสิ่งทั้งพวงด้วยสมัญตะจักสุคือได้สัพพัญญุตยา น, นั่นเอ ง, เองเนี่สัพพัญญุตยานทีนี้ถ้ามีปัญหาว่าจักสุห้าท่านกล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าภาษาพุทธก็ได้จักสุห้าใ น, นมีบ้างไหมคือใคร อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าภาษาลูกที่ได้จักสุห้าก็มีเหมือนกันแต่ไม่ครบโดยบุญทั้งห้าเช่นทางวิรุธะพระองค์จงย่างหน้าเป็นผู้เลธในทางทิฏฐจักขบและทิฏฐจักสุแต่ก็ได้จักเพียงจักสุอย่างเดียวเท่านั้นหาไม่มีครบทั้ห้าเหมือนพระอรรถามาศ า, าสดาไหมฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยแท้ หรือถ้าจมีตังหน่าวว่าพระองค์ทรงทราบอัธยาศัยของสัตว์ว่าเป็นต่างๆกันอาด้วยจักรุอะไรและมีประโยชน์แก่พระองค์อย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่าด้วยพุทธจักรุมีประโยชน์แก่พระองค์อย่างนี้คือการที่พระองค์ทรงกําหนดรูปป้นนิสัยของเวนนยสัตว์ ดังนั้นแล้วก็ย่อมสะดวกในการที่จะประกาศภาษศาสนาสแสดงธรรมให้สมควรแก่ก่อนิสัยของบุคคลนั้นบรรเทาการานิ่นช้าให้เพิ่มขึ้นหมายความว่าสามารถที่จะบรรเทาความโ ล, โล้มความกดความหลงหรือบรรเทาพวกาคลาขะโทสะโมหะอที่บุคคลนั้นจะต้องติดอยู่ล้มอยู่นั้นให้เบาบางหรือให้หมดไปได้ให้ได้นักได้ผลไม่รู้ความได้ หรือถ้ายัางมีปัญหาถามว่าจากสุห้าเทียบกับวิชาแปดอย่างไหนได้หรือไม่เราก็ตอบวาได้เป็นบางข้อนะียได้เป็นบางข้อคือเทปจักสุก็เทียบได้กับเทปจักสุเหมือนกันคือปัญญาปัญญาจักสุพุทธจักรสุหรือสมัญตะจักสุเทียบได้ในวิปัสสน า, ยานอย่างเป็นปัญญาด้วยกัน เ, เป็นปัญญาด้วยกันอันนี้ก็ เป็นเรื่องของจักสุห้าหรือว่าจักขุห้านั่นเองฉะนั้นทางการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการมาคุณห้ารูปเสียงเป็นวัดโพธิภพก็คิดน้า น, นาาักเรียนนักศึกษาก็ไปจักเป็นแนวทางได้แล้วก็มาพูดถึง เ, เรื่องจักสุห้า ก็คือมังสะจักสุจักสุคือเดวนตาคือปจักสุจักสุทิพตปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาทพตพรจาักขุจักสุแห่งกุพระเจ้าสมัญต์จักขุจักสุรอบข้อก็พอเป็นแนวทางให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายนําไปประกอบการเรียนการศึกษาหรือว่านําไปวิจารณ์นาในการศึกษาทรียนธรำปฏิบัติธรรม ก็จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจักรุห้าในดียิ่งขึ้นว่าทำไมจึงเรียกว่ามังสะจักรุหรือทิปจักขุปัญญาจักรุพุทธจักรคุปสมัมมตจักขุปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ก็จะทำให้เรานั้นมีความสะดวกความสบายในการศึกษาเล่าเรียนและก็มีความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องพระธรรมได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกรรมคุณห้าแล้วก็จากสู่ห้าก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเกรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร